สำหรับใครที่เคยได้ยินเรื่องราวจากคนที่เข้าไปในป่าบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านป่าไม้ หรือแม้กระทั่งนายพรานค่ะคงจะเคยได้ยินเรื่องราวจำพวกตำนานเสือสมิงหรือว่าเป็นเรื่องของผีบังตาทำให้หลงป่าการห้ามกางเต็นต์ตรงทางาด่านนะคะเพราะถือว่าเป็นทางผีผ่านแล้วก็ห้ามนอนตรงพูพรก็คือรากที่ยกขึ้นมาสูงๆของต้นไม้ใหญ่เพราะว่าเป็นทางเข้าของรุก ข, ขเทวดามาบ้าง เหตุการณ์ที่พบในตอนนี้ล้วนเกิดขึ้นที่วังน้ำเขียวสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยเรานี่แหละนะคะมีทั้งหมดสามเหตุการณ์ด้วยกัน ตนกล้าป่าไมา้ทุกคนค่ะล้วนเป็นาการเรียนในป่าทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งนิสิตปีหนึ่งะคะโดยที่เราเราไปเรียนเรียกกันว่าสถานีฝึกซึ่งแต่ละที่ค่ะก็ล้วนมีเรื่องเล่าถ้าปีแก่กล้าก็ชักแอบมีเรื่องเล่าที่แบบเล่ากินแล้วเมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวังน้ำเขียวหรือว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติอื่นๆก็มีด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นที่วังน้ําเขียวคือสถานที่ที่ผู้เล่าเรื่องนี้ไปฝึกมาวิชาที่ไปฝึกก็คือลุก ค่ะวิทยาป่าไม้หรือจะเรียกกันสั้นๆว่าเดนโดค่ะซึ่งก็ต้องฝึกแล้วก็ศึกษาต้นไม้ต่างๆพร้อมกับจดจำชื่อไทยชื่อสามัญชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะต้นใบดอกผล เมื่อเข้าไปเรียนในป่าก็ต้องทํางานส่งซึ่งงานชิ้นหนึ่งก็คือการนําเอาใบไม้ของต้นไม้ต่างๆที่เราเรียนนี่แหละนะครมาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วยหมึกโรเนียวพร้อมกับบรรยายลักษณะต่างๆลงไปก็รู้กันอยู่นะครว่าหมึกโรเนียวนั้นเนี่ยเหนียวและใบไม้บางชนิดก็ไม่ได้ทนต่อแรงกระทานักเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นค่ะเมื่อกลุ่มของผู้ที่เล่าเรื่องนี้ทําใบไม้ขาด วันนั้นเป็นวันว่างจากการเรียนการสอนของทุกๆคนนะคะก็เป็นอันรู้กันเมื่อไม่มีการสอนไม่มีการเรียนมันก็คือเวลาทำงานกลุ่มค่ะแต่ละกลุ่มก็จับจองอาณาเขตในการทำงานตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์ใบไม้ที่เก็บกันมาระหว่างการเข้าป่าไปเรียนในแต่ละวันจนมือเนี่ยเปื้อนหมึกโดนิวดาปื้ดเลยนะคะบางคนเนี่ยดำลามไปถึงหน้าเลยทีเดียวโรงเรือน ที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะก้อนยึกถึงโรงเรียนประชาบาลที่เป็นลานโล่งๆมีโต๊ะเรียนแล้วก็มีเสามีหลังคาสูงๆแล้วก็กระดานดำอยู่ข้างหน้าค่ะ อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าสภาพดีดีกว่านะลมกรอกติดกับอีกเรือนลักษณะคล้ายคลยกันแต่ว่าเอาไว้กินข้าวแต่ว่าแต่ละกลุ่มก็กระจัดกระจายกันอยู่2เรือนนี้แหละนะคะกลุ่มของผู้ที่ประสบเหตุก็พิมพ์ใบต้นกระโดนเป็นใบสุดท้ายของวันตอนนั้นเวลาประมาณบ่ายสแต่เมื่อภาพที่ได้ไม่สมบูรณ์ค่ะก็ต้องพิมพ์ใหม่พิมพ์ไปพิมพ์มาใบาไม้ขาด เมื่อใบไม้ที่เก็บมามันขาดก็ต้องไปหาใบใหม่ซึ่งก็ดันจำได้นะคะว่าในแปลงปลูกที่ติดกับโรงเรือนมีต้นกระโดนต้นน้อยๆ อ, อยู่1่ต้นกระโดนเมื่อโตเต็มที่นะะจะมีลำต้นสูงมากเก็บใบไม่ถึงแน่นอนออกทางทางออกก็คือต้องเก็บจากต้นที่เพิ่งเกิดไม่นานจึงจะได้ไม้ใบไม้มาพิมพ์นะคะแปลงที่มีต้นกระโดนน้อยนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ปลูกป่าโลง่งไม่ค่อยใหญ่ เพราะว่าแบ่งเป็น2แปลงย่อยนะคะเนื่องจากมีลำธารเล็กๆดัดแปลงริมลำธาร น, นั้นก็จะมีต้นตะเคียนสูงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นคนที่จำได้ว่าต้นกระโดนที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เลยทำหน้าที่ที่เราต้องเป็นคนไปนเด็ดมา เนื่องจากแปลงนี้เนี่ยไม่ไกลจากโรงเรือนมากเดินมาตามทางแป๊บเดียวก็ถึงเลี้ยวขวาเข้าแปลงก็ได้ตรงดิ่งไปยังต้นกระโดนน้อยที่เราสามารถจําตำแหน่งได้อย่างแม่นยําจนน่าแปลกใจนะคะเดินแค่1ิก้าวก็ถึงต้นไม้ต้นน้อยนี้สูงเพียงแค่หน้าแข้งขั้นระหว่างเรากับต้นตะเคียนที่ห่างออกไปเพียง4ีก้าวแล้วก็ก้มลงไปเด็ดยอดต้นกระโดนพอเงยหน้าขึ้นมา ก็เลยหันหลังกลับไปยังทางเดิมที่เดินมา9ก้าที่1นก้าที่2ก้าที่3ก้าที่13ก้าที่14ี่ก้าที่าำไมมันไม่ถึงทางเดินสักทีก็เลยงงหรือว่าเราจะหลงทางคิดได้ก็เลยเดินกลับไปยังต้นกระโดนน้อยซึ่งเดินตอนนี้เนี่ยยอดด้วนไปแล้วนะคะก็ไม่ผิดตําแหน่งแน่นอนด้วนอยู่ต้นเดียวฉากหลังนี่เป็นต้นตะเคียนก็เลยเออเอาใหม่เดินใหม่9ก้าที่1ก้าที่2ก้าที่3ไปก้าที่8ก้าที่10 เอทางเดินอยู่ไหนประสาทจะกินแล้วค่ะสมองนี่หมุนติ้วติ้วเหงื่อออกฝ่ามือหน้าผากเงยหน้ามองไปยังหลังคาโรงเรือนใกล้ใกล้เพื่อกำหนดทิศแต่ว่าหลังคาหายไปคุณผู้ฟังทั้งทา ง, งที่ตอนเดินมามองกลับไปก็คือยังเห็นหลังคาผ่านยอดไม้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอดไม้กลับดูแน่นทึบอย่างประหลาดท้องฟ้าบ่ายสามไม่เหมือนบ่ายสามค่ะตอนนี้เหมือนหโมงเย็นแล้วนะคะก็เลยเริ่มเดินวนรอบแปลง มันต้องมีทางออกสิใช่เราเข้ามาได้มันก็ต้องมีทางออกไปสิวะนึกในใจโชคร้ายค่ะหาไม่เจอพอตั้งสติได้ปุ๊บก็ค่อยๆเดินกลับไปที่ต้นกระโดนยอดด้วนต้นนั้นเบื้องหน้าตอนนี้คือต้นตะเคียนที่ยืนสงบนิ่งไม่มีทูบ ไม่มีผ้าแพรไม่มีของเส้นไม่มีการบูชาอะไรที่บอกว่าตะเคียนต้นนี้เฮี้ยนหรือว่าพิเศษนะคะก็เลยยืนจ้องต้นตะเคียนต้นนั้นอยู่นานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจ้องทำไมแต่รู้สึกว่าต้นตะเคียนต้นนี้จะให้คำตอบได้ก็เลยยกมื อ, อไปข้างๆที่มียอดไม้มาแนบอกเหลือบมองต้นไม้ ที่ตอนนี้ไม่มียอดแล้วแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกในใจบอกว่าถ้าการที่ข้าพเจ้าเด็ดยอดมานี่เป็นการลบหลู่ล่วงเกินท่านเป็นการทำร้ายบริวารของท่านข้าพเจ้าทำไปด้วยความจําเป็นนี่เป็นหนึ่งในการศึกษาข้าพเจ้าจําเป็นที่จะต้องทำลายในครั้งนี้เพื่อจะได้มีความรู้ไปปกปักรักษาป่าไม้ต่อไปข้าพเจ้าขออภัยขอให้อภัยข้าพเจ้าด้วย พอลืมตาขึ้นมาเบื้องหน้ายัางเป็นต้นตะเคียนค่ะแต่ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปนะคะพอหันหลังกลับไปปุ๊บเดินไปสู่ทางเดินก็นับเก้าไปเรื่อยเรื่อยนะะอ้าวทางเดินอยู่ตรงหน้าแล้ว เมื่อเลี้ยวเข้าสู่ทางเดินมองขึ้นไปหลังคาโรงเรือนเด่นชัดค่ะคุณผู้ฟังท้องฟ้าเนี่ยแดดแรงสมกับเป็นเวลาบ่าย3ก็เลยก้าวเดินกลับไปยังโรงเรือนเพื่อทํางานกลุ่มให้เสร็จต่อเพื่อนในกลุ่มก็เห็นเราทําหน้าแปลกๆก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็เลยตอบไปบอกเปล่าไม่มีอะไรหรอกรีบพิมพ์เหอะใบสุดท้ายแล้วนะระวังระวังหน่อยขาดอีกไม่รู้จะไปเอาจากไหนแล้ว ในใจก็เลยคิดว่าถึงมีต้นไหนให้ก็ไม่ไปเด็ดอีกแล้วล่ะนะคะนี่ก็ขอบคุณเรื่องราวที่เรานำมาเล่านะคะจากทางด้านของคุณผู้หญิงเลือดเดือดนะะนี่เป็นชื่อนามแฝงของผู้ที่เล่าเรื่องนี้นั่นเองค่ะทีนี้มาฟังเรื่องจากแฟนเพจพระเจอผีกันบ้างคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ส่งมาจากทางบ้านนะคะ เป็นเรื่องราวของคุณอาทรสว่างทองธรรค่ะบอกว่าผมอายุร่วม34แล้วก็เลยอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ผีๆบ้างเรื่องนี้ให้ชื่อว่าไม่คิดทำก็อย่าปากพร้อย คุณอาทรบอกว่าตอนอายุ24ตอนนั้นเนี่ยทำงานโรงงานในจังหวัด ส, สุพรรณซึ่งเป็นบ้านเกิดนะคะแล้วโรงงานก็อยู่ใกล้บ้านค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาทรก็มีแฟนก็เลยพักอยู่ห้องเช่าที่โรงงานก็เลยไปไปม า, มานอนที่นู่นบ้างนอนที่นี่บ้างนะคะ คุณอาทรบอกว่าตอนนั้นเพื่อนร่วมห้องของแฟนพี่เขาเนี่ยไม่ค่อยสบายค่ะคล้ายกับว่าโดนอะไรมาสักอย่างหนึ่งเพราะว่าแฟนเนี่ยไปนอนเฝ้าเขาที่โรงพยาบาลแต่ว่านอนคนละเตียงนะคะเพื่อนเขาก็นอนหันหลังให้แต่ว่าแฟนของพี่อาทรเนี่ยหันหลังให้เพื่ อ, อเห็นข้างหลังเพื่อนเนี่ยเป็นหน้าคนแก่ค่ะ แฟนของพี่อาทรเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าแต่ว่าแฟนของพี่อาทรนี่เป็นคนอีสานนะซึ่งเขานับถือพวกผีเจ้านะคะส่วนพี่อาทรเองบอกว่าผมก็ 40-60 คือไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าไม่เคยเจอพอแฟนกลับมาโรงงานเขาก็ไปบนที่ศาลพระพรหมกับศาลเจ้าที่โรงงานให้เพื่อนหายไวๆก็น่าแปลกนะคะที่สองวันก็หายสนิทเหมือนไม่เคยเป็นอะไรเลย คุณอาธรเองก็บอกผมก็ยังง ง, งเหมือนกันนะแค่คิดว่านอนโรงพยาบาลร่วม10วันก็น่าจะหายพออีก3วันนั้นก็เป็นวันศุกร์ประมาณ4ี่โมงเย็นนะะเป็นวันหยุดก็นั่งกินกับเพื่อนๆนแฟนก็ถือพวงมาลัยมาแล้วก็เดินมาหาคุณอาธรบอกว่าไปแก้บนกันอย่างว่าแหละไม่ค่อยเชื่อเนาะแถมมีดีกรีด้วยก็เลยหลุดปากว่าเธอบนเองเธอก็แก้เองสิ พี่อาทรพูดเสร็จแล้วก็นั่งดื่มเหล้าต่อนะคะทีนี้เนี่ยจนถึงเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะถึงได้กลับขึ้นไปห้องนะคะเพื่อที่จะไปนอนแล้วก็ทาธุระอะไรเสร็จก่อนนอนแต่ว่าทีวีก็เปิดทิ้งไว้นะคะไม่ได้ปิดทีวีก็คือเป็นกล่องรวมกันทั้งตึกเนี่ยแหละคะ่ะเดินสายไปแล้วก็เสียบเอาที่กล่องแต่ว่ามีช่องไม่ค่อยเยอะพี่อาทรเองก็หลับแฟนก็หลับแต่ว่าทีวีเปิดอยู่เดาๆว่า คงสักตีสองนะคะเหมือนมีอะไรมาสะกิดให้ต้องตื่นนะคะก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาทางที่ง่วงมากนะคะพอลืมตาขึ้นมาค่ะสิ่งที่เห็นคือเป็นคนแก่ผมหงอกยาวปิดหน้ายืนอยู่ข้างทีวีเพราะว่าเปิดไฟอยู่นะคะแสงเปิดทีวีอยู่ก็จะเป็นแสงทีวีเนียส่องไปถึงแสงจะไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าก็พอจะมองเห็นนนะคะว่าเป็นใคร เป็นคนแก่นะคะนุ่งจงกระเบนสีเขียวแล้วก็สบายสีเขียวเหมือนกันนะคะก็เอาหน้าเอาหน้ามือเนี่ยมาวางประกบกันเหมือนยืนไว้อาไลนะคะแค่นั้นพอคุณอาทรเห็นเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินสามวิ แต่ว่าภาพคือชัดเจนแล้วก็จำติดตาได้ดีมากนะคะก็เลยตกใจค่ะแหกปากร้องลั่นหอจนแฟนตื่นก็ถามว่าเป็นอะไรคนที่อยู่ห้องข้างๆกันก็มาถามดูก็บอกว่าเป็นอะไรก็เลยไม่กล้า บ, บอกนะคะก็เลยบอกแค่ว่าเจอตะขาบบนที่นอนพอปิดห้องแฟนก็ถามอีกก็เลยบอกว่าเขาเห็นอย่างที่เล่ามาเมื่อสักครูน่นี้แฟนก็เลยบอกว่านั่นแหละอยากปากสีย ซึ่งตอนนั้นคุณอาธทรบอกว่าใจสั่นมากแต่ก็ออกไปสู่บุรีข้างนอกระเบียงห้องและทีมันก็จะตรง ก, กันกับสารพอดีนะคะเขาก็เลยอแอ บ, บมาแบบกลัวเหมือนกันนะคะกลัวกลัวว่าจะมองเห็นคุณยายแ ก, แก่คนนั้นอีกแต่ว่าตอนนี้แหละที่เขาเองก็ไม่สงสัยเลยว่าเขาเห็นอะไรนะคะเพราะว่ า, าเห็นคนแก่เดิคนเดิมนี่นั่งหันหลังให้ แต่ว่าเขานั่งอยู่ที่ศาลเพราะว่าฐานเขาทำยกพื้น2ชั้นพอเห็นเนี่ยก็หันหลังให้ไม่มองอีกแล้วแล้วก็ไม่คิดจะใช้สติที่ใครชอบพูดกันว่ามองให้ดีก่อนค่อยตื่นตุมเห็นสองครั้งติดในคืนเดียวคงไม่ต้องใช้สติไตร่ตรองแล้วหลักครับ ผมก็เลยรีบเข้าห้องเปิดไฟนอนทั้งคืนยันเช้าตอนบ่ายก็เลยชวนแฟนไปไหว้ที่ศาลเขาบอกเข็ดแล้วจริงๆลืมบอกไปครับผมชื่อทอนแฟนชื่อปุ๋ยที่อยากจะเล่าก็มีแค่นี้แหละครับเพราะว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอ เคยเจอแต่ผีอํานะคะยังไม่เคยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนชัดเจนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเล่าไปหาว่าแต่งเรื่องอว่างๆจะเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อารทรสว่างทองคำด้วยนะคะแฟนรายการพระเจอผีจากสุพรรณบุรีด้วยค่ะ ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของอความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ที่นี้เนี่ยใครที่ไม่เชื่อคะ่ะแต่ว่าไปลบหลู่เรื่องนี้ก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้นะคะซูวิทนี่เป็นชายหนุ่มรูปร่างสันทัดผิวเข้มอาชีพหลักของเขาก็คือช่างกลึงโรงงาน แล้วก็แน่นอนค่ะว่าสุวิทย์ก็คือหนุ่มโรงงานนั่นเองแล้วก็เป็นเด็กจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองใหญ่นะคะสุวิทย์ก็เลยต้องขยันแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานประจำที่รับผิดชอบแต่ว่าจากการที่เป็นคนพูดน้อย เรียบร้อยแล้วก็สุภาพสวิตก็เลยหาแฟนไม่ได้สักทีไม่ใช่ไม่มีใครมองแล้วก็ไม่มองใครนะคะแต่ว่ามองแล้วไม่กล้าพูดนี่สิคะก็เลยรับประทานแห้วกันเป็นประจำจะ ก, กี่นางที่ชายหนุ่มหมายปองเมื่อเจอลูกยิ้มแล้วก็ท่วงทีที่เขินอายกระบิดกระบวนของชายหนุ่มจนเหมือนเป็นใบ้สาสาวหลายคนจึงไม่ทิ้งผ้าเช็ดหน้าให้ชายหนุ่มสักทีหนึ่งค่ะด้วยความเหงาเพราะว่าไม่มีแฟนควงแขนซ้อนมอเตอร์ไซค์เหมือนคู่อื่นๆสวิตก็เลยใช้เหล้านี่แหละเป็นที่ พึ่งเวลาเลิกงานซึ่งปกติแล้วก็ไม่กินเหล้าบ่อยนักนอกจากเพื่อนชวนหรือว่าเงินเดือนออกเพราะว่ากินทีไรก็เห็นช้างเท่ามดเห็นถนนเป็นที่นอนทุกทีเลยอะไรขวางหน้า ก็อารมณ์ร้อนค่ะนักมวยเก่าเนี่ยเข้าสิงทันทีฮึกเขิมตลอดท้าตีท้าต่อยไปเรื่อยจนเพื่อนๆรู้นินนนสัยนี่ยว่าเมาทีไรก็ต้องรีบพากลับบ้านนอนไม่งั้นเป็นเรื่องแล้วก็พอตื่นเช้ามาใครถามอะไรสุวิทย์ก็จะจําอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะไม่น่าล่ะเข้าถึงเปรียบเทียบว่าเหล้ามันก็เหมือนน้ําเปลี่ยนนิสัยดีๆนั่นเองก่อนที่จะถึงทางเข้าที่พักค่ะ มันจะมีต้นไสรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งยืนตระหง่านอยู่ต้นไสรต้นนี้เนี่ยก็จะมีผ้าสามสีผูกโพกอยู่โดยรอบแล้วก็มีสารเพียงตาตั้งอยู่ข้างๆในยามค่ำคืนหากว่าใครไม่มีธุระก็จะไม่มีใครออกไปไหน ก็ยากนะที่จะหาคนเดินผ่านเส้นทางนี้เพราะว่านอกจากความวังเวงความมืดที่น่ากลัวแล้วต้นไทรต้นนี้ยังมีประวัติยาวนานค่ะก็คือผู้หญิงท้องแก่ที่มาผูกคอตายใต้ต้นไทรค่ะแล้วก็เมื่อข้ามคืนมาเยือนเสียงเพลงกล่อมเด็กนี่ก็จะดังแว่วมาจากต้นไทรเสมอหากว่าใครปะเหมาะเคราะหามยามซวยขึ้นมาก็จะเจอคู่แม่ลูกคู่นี้นี่ห้อยหัวแลบลิ้นปลิ้นตาแหวกอกให้เห็นจนจับไข้หัวโกรนกันเลยทีเดียวเรื่องจึงเป็นเรื่องเล่าสย ขวัญที่โจดจานมายาวนานถึงความน่าสะพรึงกลัวมาจนบัดนี้วันนี้สวิทต์กับเพื่อนอีก3คนก็เลยชวนกันไปฉลองวันเกิดของเพื่อนอีกคนหนึ่งและเมื่อเมาได้ที่ค่ะเพื่อนๆก็ชวนกันกลับเพราะรู้ว่าหากปล่อยให้สวิทต์เมาไปมากกว่านี้ก็อาจจะเสี่ยงที่เพื่อนจะอารวาสพังร้านได้เพื่อนก็เลยต้องหิ้วปีกสวิทต์กลับที่พัก และเมื่อพากันเดินกลับมาถึงต้นไซเก่าแก่สวิตก็เกิดอาการปวดชี้ค่ะก็เลยสะบัดแขนออกและบอกเพื่อนด้วยการเมาบอกเดียวขอยิงกระต่ายก่อนไม่ไหวแล้วปวดชิบอะไรนี้อ่ะพูดไปก็สะอึกตายพร้อมกับดีกีเล่าที่วิ่งคลานในตัวค่ะเพื่อนๆที่มาด้วยต่างก็มองหน้ากันเลิกลักแล้วก็บอกกับสวิตว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นสารเจ้าแม่จะฉี่ได้ไงเดี๋ยวจะแม่หักคอตาย่ะเพื่อนก็พยายามจุดกระชากเพื่อนให้เดินต่อ แต่ว่าสวิตเนี้ดือ้อเมื่อเมาแล้วก็เห็นช้างเท่ามดแม้แต่ผีจะกลัวได้อย่างไรจริงไหมคะก็เลยบอกเพื่อนไปบอกผีเผออะไรกูไม่กลัวเว้ยมาเดะเดะเตะแม่งพอน้ำเปลี่ยนนิสัยมันออกริ์มันก็เป็นแบบนี้ค่ะ พูดไม่พูดกล่าวนะแถมยังเดินไปปลดซิฟกางเกงยืนฉี่ใส่ต้นไทรอย่างหน้าตาเฉยค่ะจนเพื่อนเพื่อนเนี่ยร้องลั่นแล้วก็ไม่ทันห้ามขืนห้ามนักมวยเก่าอย่างสวิทมีหวังมันมาฟาดถางวางหมัดแน่ๆเมาหนักขนาดนี้ใครเตือนคงไม่ฟังแต่แล้วอยู่ๆสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นนั่นคือลมวูบหนึ่งกระชากพัดมาเสียงใบไม้สั่นสูน้เหมือนโดนขยา่าจากมือใหญ่ยักษ์เสียงหมาหอนก็ดังขึ้นรับกันเป็นทอดๆเนะะี่ยค่ะทั้งหมด ต่างคนต่างมองหน้ากันเลิอกลักหนึ่งในสองคนก็เลยเอ่ยขึ้นอย่างเสียงสัน่นบอกเอาไงดีวะแม่งเอ้ยคนมายังวิ่งหนีทันผีมาละจับไข้หัวโกรนแน่อีกสองคนก็ใจเสียค่ะเกิดอาการช็อกแบบสั่นเบาๆไม่ทันที่จะพูดอะไรเสียงก็หล่นดังตุ๊บมาจากบนต้นใส่เท่านั้นแหละสติสตางกระเจิดกระเจิงต่างคนต่างใส่ตีนหมาวิ่งไปคนละทิศคนละทางทิ้งคนเมาหนักไว้ที่ต้นใส่นะคะเช้าวันต่อมาคุณแมง ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าเพื่อนชายที่ชื่อสวิทเน่าบาดเจ็บมารักษาตัวที่โรงพยาบาลขอให้ญาติมาดูด้วยทันทีที่ได้รับข่าวจากโรงพยาบาลเพื่อนก็รู้สึกผิดที่ทิ้งสวิทให้ผจญกับผีตามลําพังจนถูกผีทําร้ายบาดเจ็บทุกคนก็เลยลางานไปดูเพื่อนเม้งกล่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยกลัวมากเข้าห้องได้ก็คุมโปงนอนเลยไม่รู้ว่าไอ้วิทจะโดนหนักแค่ไหนทุกคนพยักหน้ารับรู้และไม่กล้าที่จะพูดอะไรต่อเมื่อทุกคนเข้าไปในห้องก็เจอกับผู้ชา ชายสูงวัยคนหนึ่งยืนอยู่กับชายอ่อนวัยอีกคนที่น่าจะเป็นลูกชายพร้อมกับแพทย์ผู้ ด, ดูแลเม้งจําได้นะคะว่าเท่าแก่คนนี้เป็นเจ้าของร้านขายสารพระภูมิที่อยู่ถัดไปอีกซอยหนึ่งนั่นเองค่ะอ่ะแปะชายสูงวัยเมื่อหันมาเห็นเพื่อนของสวิทก็เลยพูดด้วยน้ําเสียงโมโหบอกพวกลือเป็นเพื่อนอีเหรอเมื่อคือนอีเมามากเข้ามาทุบสารพระภูมิของอ้วไปหลายหลังพังทิขายหมดเมามากๆใครห้ามก็ไม่ฟัง อ้วก็เลยเพ่งมันด้วยไม้หน้าสามจนสลบแล้วเอามันมาส่งโรงหมอตกลงใครจะจ่ายค่าสวนที่อีทำพังให้อ้วกเท่าแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านขายพระภูมิ ม, มองหน้าเพื่อนทั้งสามคนอย่างหาคำตอบก็จบลงด้วยประการชนี้ผีหลอกไม่เสียตังค์นะจ๊ะแต่ทำสารพังเสียตังค์แน่นอนค่ะอ่ะน่ารักน่ารักกันไปคุณผู้ฟังไม่ได้สยองอะไรมากมายนะคะเพราะว่าฟังเรื่องราวน่ากลัวมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ย เอาเป็นเรื่องฮาๆแล้วก็หักมุมก็แล้วกันชอบคลิปของบีชื่นชอบอยากคุยก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะหมดเวลาของพระเจอผีแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ